พระตรยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่31สุดุตตันตปิฎกปฏิสัมพิธามรักษางแห่งความแตกฉานพระตรยปิฎกเล่มนี้เป็นภาสิทธ์ของพระสารีบุตรอธิบายศัพธรรมะต่างๆอย่างวิจิตพิสดารวิธีการอธิบายคือถ้ามีพระพุทธภาสิทธ์ว่าด้วยเรื่องนั้นก็นำมาตั้งไว้แล้วอธิบายขยายความอีกต่อหนึ่ง ถ้าไม่มีพระพุทธภาษิตอธิบายไว้โดยตรงท่านผู้กล่าวคือพระสารีบุตรก็ตั้งบทตั้งขึ้นเองและอธิบายขยายความไปตามบทตั้งโดยละเอียดต่อไปมีบางครั้งก็ตั้งภาษิตของพระอานนบ์เป็นหัวข้อแล้วแจกอธิบายในภายหลังเนื่องจากศัพธรรมะที่เป็นบทตั้งในการอธิบายมีอยู่สามสิบหรือสสิบข้อ จึงแบ่งเป็นวักได้สามวักวักละสิบข้อคือวักที่หนึ่งชื่อมหาวักแปลว่าหมวดใหญ่มีสิบเรื่องคือ 1. ญยานะความรู้ 2. ทิฏฐิความเห็น 3. อานาปานะลมหายใจเข้าออก 4. อินทรีธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน 5. วิโมกความหลุดพ้น 6. ขคติที่ไปหรือทางไป 7. กรร ม, มะการกระทํา8วิปัลลาสะความคลาดเคลื่อนวิปริต 9. มักคะหนทาง 10. มันเปรยะของใสที่ควรดื่มเทียบด้วยคุณธรรมวรที่สอง ชื่อยุคะนัทวัคแปลว่าหมวดที่ขึ้นต้นด้วยธรรมะที่เทียมคู่คือธรรมะที่แฝดกันได้แก่สมถะและวิปัสสนามีสิบเรื่องนับต่อจากวรรคที่หนึ่งคือข้อที่ส1บอยุคะนัทธรรมะที่เทียมคู่ 12. สัจจะความจริง 13. โพชฌงองค์แห่งการตรัสรู้ 14. เมตาคือไมตรีจิตคิดให้เป็นสุข 15. วิราคะความคลายกำหนัด 16. ปฏิสัมพิธาความแตกฉาน 17. ธรัมรมจักกะล้อรถคือพระธรรม 18. โลกุตระธรมมะที่ข้ามพ้นจากโลก 19. พละธรมมะอันเป็นกำลัง 20. สศูนยะความว่างเปล่าวักที่สชื่อปัญญาวักแปล ว, ว่าหมวดที่ขึ้นต้นด้วยปัญญามีสิบเรื่องนับต่อจากวักที่สองเป็นข้อที่ 21. มหาปัญญาคือปัญญาใหญ่ 22. อิทธิคือฤทธิ์หรือความสาเร็จ 23. ่สิสามิสมัย การตรัสสรู้24วิเวก ค, ความสงัด 25. จะริยาความประพฤติ 26. ปาฏิหาริยะคือปาฏิหารเท่ากับนำกิเลสไปเสีย 27. สมะสีสะสิ่งที่สงบและสิ่งที่มีสีสัสำหรับคำนี้โปรดดูคำอธิบาย ในตอนที่ยกอธิบายทีละศั์ต่อไป 28. สสิปดสติปานการตั้งสติ 29. วิปัสสนาความเห็นแจ้ง 30. มาติกาแม่บทคำอธิบายศัพท์ในวรรคที่หนึ่งคำที่หนึ่งยานะแปลว่าความรู้ ข้อนี้มีบทตั้งแสดงถึงญาณคือความรู้อันได้แก่ปัญญาเจบสประการพร้อมทั้งกล่าวว่าในญาณเจสาประการเหล่านี้67ิข้อเป็นของทั่วไปแก่พระสาวกส่วนอีกหกข้อไม่ทั่วไปแก่พระสาวกในการอธิบายญาณต่างๆนั้นบทตั้งซึ่งเป็นพาษิทธิ์ของพระสารีบุตรไม่ใช่พระพุทธพาษิทธิอธิบายว่า ปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นชื่อว่ายานขอยกตัวอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปรวมสิบดังนี้ 1. ปัญญาในการเงียโสดคือสดับชื่อว่ายานอันสาเร็จด้วยการฟัง 2. ครั้นฟังแล้วเกิดปัญญาในการสำรวมชื่อว่ายานอันสำเร็จด้วยศีลญญาา 3. ครั้นสำรวมแล้ว เกิดปัญญาในการตั้งจิตมั่นชื่อว่าญาณอันสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิ 4. ปัญญาในการกำหนดรู้ปัจจัยชื่อว่าญาณในความตั้งอยู่แห่งธรรมะคือธรรมมัทิฏยานห้าปัญญาในการรวบรวมธรรมะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วกำหนดรู้ชื่อว่าญาณในการพิจารณา คือสัมมาสเนยาน 6. ปัญญาในการพิจารณาเห็นความปรวนแปรแห่งธรรมะอันเป็นปัจจุบันชื่อว่าญาณในการพิจารณาความเกิดความเสื่อมคืออุทยพยานุปัตสเนยาน 7. ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์และพิจารณาเห็นความแตกดับ ชื่อว่ายานในการเห็นแจ้งคือวิปัสเนยานแปดปัญญาในความปรากฏเป็นของน่ากลัวแห่งสังขารชื่อว่ายานคือความรู้ในโทษคืออธีนเวยานเ้าปัญญาที่ทำให้เกิดการพิจารณาด้วยใครจะพ้นไปเสียชื่อว่ายานในความวางเฉยในสังขารคือ สังขารุปเปคาสุญาน 10. ปัญญาในการออกในการหมุนกลับจากเครื่องหมายแห่งสังขารภายนอกชื่อว่าโคตรภูญานต่อจากนี้เป็นการแสดงมกคยานผลละยานวิมุตติยานปัญจเวกขณะยานเป็นต้นมียานในอริยสัจว์่และในปฏิสัมพิทาสี่เป็นที่สุด รวม67สเานเป็นยานที่ทั่วไปแก่พระสาวกส่วนญานอีกหประการที่มีเฉพาะแก่พระพุทธเจ้าไม่ทั่วไปแก่พระสาวกคือหนึ่งอินทริยะบโรโบริยตตยานยานย่างรู้อินทรีย์อันยิ่งหย่อนของสัตว์สำหรับยานข้อนี้คือรู้ว่ามีกิเลสน้อยกิเลสมากมีศรัทธาวิริยะสติสติสต สมาธิปัญญาอันเป็นอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่กล้าหรืออ่อนมีอาการดีมีอาการเลวเป็นต้น 2. อาศยานุสยายานัยญาญญาญอย่างรู้อาศัยคือความน้อมใจไปทั้งทางดีทางชั่วและอนุสัยคือกิเลส ท, ที่นอนเนื่องในสันดานมีการมราคะเป็นต้นมีอวิชชาเป็นที่สุด 3มยะมะกะปาติหิระยานยานอันทำให้สามารถแสดงปาฏิหารคู่ได้คือปาฏิหารเนื่องด้วยาธาตุน้ำและาธาตุไฟแสดงออกพร้อมกัน 4. มหากรุณาสมาปฏิยานยานในการเข้าสมาบัติมีมหากรุณาเป็นอารมณ์ 5. สัสพันยุตยาน ญาณคือความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวง 6. อนาวรณญาณญาณอันไม่มีความข้องขัดไม่มีเครื่องกัน้นคำศัพท์ที่สองทิฏฐิคือความเห็นในข้อนี้มีบทตั้งเป็นของพระสารีบุตรเองโดยแสดงถึงที่ตั้งแห่งทิฏฐิแบดประการ มีขันอวิชาผัสสะเป็นต้นเครื่องรึงรัฐคือทิฏฐิ18ประการแจกตามชื่อกิเลสพวกทิฏฐิตัวทิฏฐิเอง16ประการมีอสส า, าทัทิฏฐิความเห็นด้วยความพอใจเป็นต้นความยึดถือทิฏฐิต่างๆด้วยอาการมากน้อยต่างกันตามประเภทของทิฏฐิโสดาปฏิมัก เป็นการถอนขึ้นซึ่งที่ตั้งแห่งทิฏฐิการลูบคลำด้วยความยึดถือว่าขันห้าอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิในการอธิบายรายละเอียดนั้นได้ลงสุดท้ายด้วยนำพระพุทธภาษิตแสดงถึงบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสิบประเภท คำศัพที่สานาปาณนะคือลมหายใจเข้าออกในข้อนี้มีบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรเองเช่นกันแสดงยานความรู้200ประการอันเกิดจากสมาธิว่าจะเกิดแก่ผู้เจริญสมาธิคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเช่นยานอย่างรู้อันตรายของสมาธิแประการ อุปการะของสมาธิ8ประการอันเป็นคู่ปรับกันรวมเป็น16คือความพอใจในกามกับการออกจากกามความพยาบาทกับความไม่พยาบาทความหดหู่ง่วงงุนกับความกำหนดหมายแสงสว่างความฟุ้งซ่านกับความไม่ฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยกับการกำหนดธรรมะความไม่รู้หรืออวิชชา กับความรู้หรือยาณนะความไม่ยินดีกับความปราโมทอากุศลธรรมทั้งปวงกับกุศลธรรมทั้งปวงเป็นต้นคำศัพที่สี่อินรีคือธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนในข้อนี้ใช้บทตั้งที่เป็นพระพุทธภาษิตแสดงถึงธรรมะอันเป็นใหญ่ ในหน้าที่ของตนหรืออินทรีย์5ประการได้แก่ศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้สมาธิคือความตั้งใจมั่นและปัญญาคือความรู้ทั่วถึงสิ่งที่ควรรู้ครั้นแล้วแจกรายละเอียดออกไปอีกคำศัพท์ที่ห้า วิโมกคือความหลุดพ้นบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงถึงวิโมกสามประการคือสุญญาตาวิโมกวิโมกที่ว่างเปล่าอ น, นิมิตตวิโมกวิโมกที่ไม่มีนิมิตอปะนิหิตาวิโมกวิโมกที่ไม่มีที่ตั้งในรายละเอียดได้จากวิโมกออกไป80สประการ คำศัพท์ที่6คติคือที่ไปหรือทางไปบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรแสดงว่าการที่จะถึงพร้อมด้วยคติคือเกิดในที่ดีๆตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงเทพว่าแต่ละประการนั้นมีเหตุกี่อย่างคำศัพท์ที่7กัมมะคือการกระทาบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตร แจกกรรมและผลของกรรมออกไปมากมายเช่นกรรมได้มีได้เป็นแล้วผลของกรรมได้มีได้เป็นแล้วกรรมได้มีได้เป็นแล้วแต่ผลของกรรมยังมิได้มีได้เป็นกรรมได้มีได้เป็นแล้วแต่ผลของกรรมกาลังมีกำลังเป็นเป็นต้นคาศัพท์ที่8วิป ing, ัญลาสะความคลาดเคลื่อนวิปริต บทตั้งเป็นพระพุทธภาสิทธ์แสดงวิปัสสิทสประการคือความวิปัสสิคลาดเคลื่อนแห่งสัญญาแห่งจิตแห่งความเห็น 1. ในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. ในสิ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. ในสิ่งไม่ใช่ตนว่าเป็นตน 4. ในสิ่งที่ไม่งามว่างามและพระพุทธภาสิทธ์ แสดงความไม่วิปนลาดคือที่ตรงกันข้ามคำศัพท์ที่9มักคะคือหนทางบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรแสดงเนื้อความของคำว่ามักและแจกรายละเอียดว่าในขณะแห่งโสดาปติมักจนถึงอรหัตตมักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทำหน้าที่อย่างไร เป็นมักเป็นเหตุอย่างไรคำศัพที่10มัทเปยยะคือของใสที่ควรดื่มเทียบด้วยคุณธรรมนำเอาพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิายมาเป็นบทตั้งแสดงของใสที่ควรดื่มสามประการคือหนึ่งเทศนาหมายถึงการแสดงธรรม 2. ผู้รับทานคือภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทพมนุษย์และใครๆก็ตามที่เป็นผู้รู้แจ้ง 3. พรหมจันทร์การประพฤติดังพรหมคือเว้นการเสพกามซึ่งอธิบายว่าได้แก่อริยามรกมีองค์8ดในภาคอธิบายแสดงธรรมะฝ่ายดีฝ่ายเลวคู่กันให้เห็นว่าฝ่ายหนึ่งเป็นเสมือนของใสที่ควรดื่ม อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเสมือนกากที่ควรทิ้งเช่นความเชื่อคือสิ่งที่ควรเชื่อเป็นฝ่ายดีความไม่เชื่อเป็นฝ่ายที่ควรทิ้งความเพียรเป็นฝ่ายดีความเกียจคร้านเป็นฝ่ายที่ควรทิ้งเป็นต้นคำอธิบายสัพ์ในวรรคที่สองคำศัพที่สิบเอ็ดยุคน a ทธ คือธรรมะที่เทียมคู่บทตั้งเป็นภาษิทธิ์ของพระอานนท์แสดงว่าภิกษุภิกษุณีจะพยากรอรหัตผลในสำนักของพระอานนท์ก็มีสี่ทางคือหนึ่งเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นเบื้องต้นหมายถึงเจริญปัญญาโดยเจริญสมาธิก่อน 2. เจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้น หมายถึงเจริญสมาธิโดยเจริญปัญญาก่อน 3. เจริญทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กัน 4. มีจิตแยกจากความฟุ้งซ่านในธรรมะต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายโดยละเอียดคำศัพที่สิบสองสัจจะคือความจริงบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงความจริง คืออริยสัจว์4ประการพร้อมด้วยคำอธิบายโดยละเอียดคำศัพท์ที่13โพชงองแห่งการตรัสรู้บทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงโพชงเจประการคือสติความระลึกได้ธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นธรรมะวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจ ปัสัติความสงบใจสมาธิความตั้งใจมั่นอุเบคาความวางเฉยในภาคอธิบายได้แสดงวิเคราะห์สั์อย่างพิสดารคำศัพที่14เมตตาคือไมตรีจิตคิดให้เป็นสุขบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงอนิสง์ของเมตตา11อประการ ดังที่เคยย่อไว้แล้วในภาคอธิบายได้แสดงถึงเมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงและโดยเจาะจงหลายวิธีคำศัพท์ที่15วิราคะคือความคลายกำหนัดบทตั้งเป็นของพระสารีบุตรแสดงว่าวิราคะเป็นมรควิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นผล คำศัพท์ที่16ปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วแสดงความแตกฉานสี่อย่างโดยละเอียดคำศัพท์ที่17ธรรมจักกัล้อรถคือพระธรรมบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตบางตอนในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร เฉพาะที่ว่าด้วยยานเห็นอริยาาสัจสีประการและวิเคราะห์สับโดยพิสดารคำศัพที่18โลกุตระคือธรรมะที่ข้ามพ้นจากโลกบทตั้งเป็นภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรแสดงโลกุตระธรรมได้แก่สติ ป, ประฐานสี่คือการตั้งสติสมัประธานสี่คือความเพียรชอบอิทธิบาทสี่ คือธรรมะที่ให้บรรลุความสาเร็จอินสีห้าคือธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนพละหคือธรรมะอันเป็นกำลังโพชฌงเจ็ดคือองค์แห่งการตรัสรู้มักมีองค์8คือหนทางหรือข้อปฏิบัติอริยามรรคสี่สามัญญผลสี่และนิพพาน พึงสังเกตว่าบทตั้งนี้แสดงโลกุตระธรรมด้วยชีย้ไปที่โพธิปัจิยธรรม37ประการและมาสีผลสนิพพานหนึ่งคำศัพท์ที่19พภละคือธรรมะอันเป็นกำลังบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตเรื่องพละคือธรรมะอันเป็นกำลังหได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญาแล้วได้แสดงพระละตามในอื่นอีกรวม68ประการคำศัพที่ 20, ี่สบสูญยะคือความว่างเปล่าบทตั้งเป็นเรื่องแสดงว่าพระอรนุ์ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามว่าที่ว่าโลกสูญสูญ น, นั้นด้วยเหตุเพียงไรตรัสตอบว่าเพราะเหตุที่สูญจากตนและจากสิ่งที่เนื่องด้วยตน จึงชื่อว่าโลกศูนย์แล้วได้ตรัสแจกอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นรวมทั้งวิญญาณผัสสะเวทนาว่าล้วนศูนย์จากตนและจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนในภาคอธิบายได้กล่าวถึงความศูนย์ความศูนย์จากสังขารความศูญย์เพราะปรนแปร ى, ความศูนย์ที่เลิศคือพระนิพพาน ความศูนย์จากลักษณะความศูนย์ตามลักษณะวิมุตห้เป็นต้นจนถึงความศูนย์เดบารมัติคือศูนย์โดยประการทั้งปวงคำอธิบายศัพท์ในวรรคที่สาคำศัพที่ี่21มหาปัญญาคือปัญญาใหญ่บทตั้งเป็นของพระสารีบุตรแสดงว่าเจริญอนิจานุปัสสนาคือการพิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยง ทำให้ชวนปัญญาให้บริบูรณ์ในวงเล็บปัญญาอันเหมือนฝีเท้าเจริญทุกขานุปัสสนาคือการพิจารณาเห็นเป็นทุกข์ทาให้นิเพธิกะปัญญาคือปัญญาอันชำระกิเลสให้บริบูรณ์เจริญอนัตตานุปัสสนาคือการพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตนทำให้มหาปัญญาคือปัญญาใหญ่บริบูรณ์ เป็นต้นคำศัพที่ี่22อิทธิคือฤทธิ์หรือความสำเร็จบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรแสดงความหมายของคำว่าฤทธิ์คือความสำเร็จแสดงฤทธิ์10บอย่างคือ 1. ฤทธิ์อันเกิดจากการอธิษฐาน 2. ฤทธิ์เกิดจากการบรันรดาลหรือวิกุพพนา 3. ริดเกิดจากใจ 4. ฤ่ริดเกิดจากการแผ่ยาน 5. ฤาริดเกิดจากการแผ่สมาธิหกริดอันเป็นอริยะในวงเล็บในการพิจารณาธรรมะ 7. ฤ็ดิดเกิดจากผลของกรรม 8. ฤดริดของผู้มีบุญ 9. ฤ้าิดเกิดจากวิชา10 ฤตมีการประกอบถูกส่วนเป็นปัจจัยนอกจากนั้นยังแสดงภูมิของฤษสี่คือฌานสี่เป็นต้นคำศัพท์ที่23อภิสมัยะคือการตรัสรู้บทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรแสดงว่าการตรัสรู้มีได้ด้วยจิตและด้วยญาณเป็นต้น คำศัพที่ี่2ิวิเว ก, กคือความสงัดบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตที่ว่าการงานใดๆก็ตามที่พึงทำด้วยกำลังการงานนั้นๆทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินชั้นใดภิกษุจะเจริญทำให้มากซึ่งอริยามรรคมีองค์แปดก็ต้องอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลชั้นนั้น แล้วตรัสแจกรายละเอียดออกไปถึงการเจริญมักมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นต้นอันอาศัยความสงัดอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอาศัยการสละแล้วแจกความสงดวิราคะนิโรธการสละออกไปอีกอย่างละห้าข้อได้แก่วิขมพนะหรือการข่มด้วยฌานตัฐทางคะองนั้นคือสมาธิ ที่มีส่วนในการชาแรกหรือทำลายทิฏฐิสมุดเฉดการตัดขาดด้วยมันเป็นโลกุตระปฏิปสัสสธิการสงบระงับด้วยผลนิสรณะการแล่นออกคือนิโรธหรือนิพพานคำศัพท์ที่25เจริยาคือความประพฤติบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตร แสดงจริยา8ประการคือ 1. อิริยาปฏะจริยาความประพฤติตามอิริยาบทคือยืนเดินนั่งนอน 2. อายตนะจริยาความประพฤติตามอายตนะภายในภายนอก 3. สติจริยาความประพฤตินในการตั้งสติ3อย่าง สสมาธิจริยาความประพฤติในฌานสีห้าญาณจริยาความประพฤติในอริยสัจ ส, สีหมักคะจริยาความประพฤติในมัคสี่เปฏิจริยาความประพฤติในผลสี่ 8. โลกัตถจริยาความประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลก จริยาทั้ง8ประการนี้บางส่วนเป็นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบางส่วนเป็นของพระปัจจัยกับพุทธเจ้าบางส่วนเป็นของพระสาวกนอกจากนั้นยังแสดงจริยา8อีกสองในคําศัพท์ที่26ปาฏิหาริยะคือปาฏิหารหรือการนําไปเสีย บทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงปาฏิหารสามคืออิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอศัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารดักใจภายใจได้เป็นอศัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหารสั่งสอนเป็นอศัศจรรย์พร้อมทั้งพระพุทธภาษิตอธิบายปาฏิหารสามโดยละเอียดในภาคอธิบายวิเคราะห์ศัพ์ปาฏิหารว่า นำไปเสียคือนำกิเลสต่างๆไปเสียคำศัพท์ที่27สิบมะสีสักคือสิ่งที่สงบและสิ่งที่มีสีสักสำหรับคำนี้ตามที่เข้าใจกันทั่วไปหมายถึงดับกิเลสพร้อมด้วยดับชีวิตบทตั้งเป็นของพระสาวรีบุตรให้คำอธิบายเพียงสั้นๆว่า ปัญญาที่เห็นความไม่ปรากฏแห่งกิเลสในการตัดขาดและในการดับแห่งธรรมะทั้งปวงชื่อว่าญาณคือความรู้ในเนื้อความแห่งสมะสีศักในภาคอธิบายแสดงธรรมะฝ่ายดีตั้งแต่เนคขมะคือการออกจากกามจนถึงอรหัตตมัตว่าเป็นสมะคือความสงบและแสดงธรรมะที่มีสีสักรวม13ประการคือตัณหา มีความกังวลเป็นสีสะมานะหรือความถือตัวมีความผูกพันเป็นสีสะทิฏฐิมีความลูกคลำหรือปรามาสเป็นสีสะความฟุ้งซ่านมีความสายไปเป็นสีสะอวิชชามีกิเลสเป็นศีสะศรัทธามีความน้อมใจเชื่อเป็นสีสะวิริยะความเพียร มีความประคองเป็นสีสัสติมีความปรากฏเป็นสีสะสมาธิมีความไม่สายไปเป็นสีสัปัญญามีความเห็นเป็นสีสะัะชีวิตินทรีซีมีความเป็นไปเป็นสีสักวิโมกมีโคจรคืออารมณ์เป็นสีสะกนิโรธมีสังขารเป็นสีสะ สำหรับคำว่าสีสะในที่นี้สะกดไว้สองแบบนะครับที่หัวข้อสะกดด้วยสอเสือสะอีสอเสือสระ อ, อ, อ, อะแต่ในเนื้อความใช้สอสลาสะอีรอเรือกลันสอฤษีสระอะท่านให้ความหมายไว้ในหนังสือว่าน่าจะหมายว่าเป็นส่วนสำคัญคำศัพท์ที่28สติปดสตานคือการตั้งสติ บทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงสติปฐานสี่ประการคำสัพที่ี่29วิปัสนาหรือความเห็นแจ้งบทตั้งเป็นพระพุทธภาษิตแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุพิจารณาเห็นสังขารว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาจะทำให้แจ้งโสดาปติผลจนถึงอรหัตผลในทางดี คือที่ตรงกันข้ามคำศัพท์ที่สามสิบมาติกาหรือแม่บทบทตั้งเป็นพาสิทธิ์ของพระสารีบุตรแสดงเรื่องวิโมกวิชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาปัสสัทธิคือความสงบระงับญาณคือความรู้ทัศนะ คือความเห็นสุทธิคือความบริสุทธิ์เนคขมะคือการออกจากกามนิสสรณะคือความพ้นไปความแล่นออกปวิเวกะคือความสงัดโวสสัชคะคือความสละจาริยาคือความประพฤติญาณวิโมก ค, คือความพ้นด้วยญาณภาวนาทิฏฐานะชีวิต ความเป็นอยู่โดยการเจริญความดีโดยการตั้งใจมั่นแล้วอธิบายทีละศัพท์โดยละเอียดสรุปพระไตรปิฎกเล่มที่ส1อดนี้สมที่ตั้งชื่อว่าปฏิสัมพิทามัทแปลว่าทางแห่งความแตกฉานเพราะอธิบายธรรมะข้อเดียวแจกรายละเอียดออกไปเป็นสิบเป็นร้อยข้อ ทำให้เข้าใจสับและความหมายแตกชานแต่ที่ย่อมาแสดงเพียงเท่านี้สำหรับประชาชนทั่วไปแม้เช่นนั้นก็รู้สึกว่าจะยังยากที่จะเข้าใจแต่ถ้านึกว่าธรรมะก็มีตั้งแต่อย่างต่ำเข้าใจง่ายจนถึงอย่างสูงเข้าใจยากก็คงทำให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับรระไตรปิฎกได้บ้าง จบเล่มที่31ขุตกะนิกายปฏิสัมพิทามัค